บทสวดที่ให้ผลข้ามชาติศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสังสารวัฏบทสวดที่ให้ผลข้ามชาติศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสังสารวัฏมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามบทสวดเหมือนกันแต่คนสวดต่างกันผลก็ผิดแผกเป็นคนละเรื่องอย่างเช่นพระจุนทะซึ่งเป็นหนึ่งในพระสาวกระดับอัจฉริยะ สำเร็จอรหัตผลตั้งแต่ยังเป็นสามเณรนั้นครั้งนั้นท่านรับใช้พระพุทธองค์กราวรงประชวนหนักพระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าจะมีพลังรักษาอันใดที่ทำให้ทรงหายประชวนได้ท่านสั่งพระจุนทะให้สาธยายมนเกี่ยวกับโพชงซึ่งมีความหมายเป็นการพูดถึงการจะได้รัสรู้ธรรมว่าต้องขึ้นต้นด้วยสติ สตินั้นต้องใช้ไปในการพิจารณาธรรมอย่างมีความเพียรเพียรจนเกิดปีติเกิดความสงบระงับจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นกลางรู้ตามจริงอย่างลึกซึ้งจนพ้นอุปาทานได้พระอระหันต์เช่นพระจุนทะแสดงธรรมอันจะยังผลให้เกิดการตรัสรู้แก่สรรพสัพพตว์อยู่ย่อมบังเกิดความสว่างโลกและความสว่างโลกนั้น ก็มีพลังยิ่งใหญ่พอจะสมน้ำสมเนื้อคู่ควรให้รักษาอาการอาพาธของพระพุทธเจ้าได้แต่ปัจจุบันมีการนำการแสดงธรรมเพื่อการตรัสรู้มาเรียกกันเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์คือโพ่อชังคาปริตซึ่งเชื่อกันว่าใครก็ได้สวดให้คนป่วยฟังแล้วจะหายป่วยอันนี้เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อน เพราะถ้าผู้สวดไม่มีศีลไม่มีธรรมจากการเจริญสติไม่รู้ว่าจะหลุดจากอุปาทานในตัวตนอย่างไรพลังก็ไม่สว่างพอจะปัดเป่าบรรเทาไข้ให้ใครได้เช่นกันบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยบาปได้ในปัจจุบันแล้วก็ช่วยนําร่องไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในอนาคตนั้นมีอยู่ และหลายคนสวดกันทุกเมื่อเชื่อวันแต่สวดกันแบบนกแก้วนกขุนทองจึงไม่ค่อยเกิดผลเท่าใดบทสวดนั้นคือไตรสรนาคมข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะพุทธัทงสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังคังสรนังคฉามิบทนี้ถ้าสวดแต่ปากก็ได้แต่ความสว่างระดับปาก กล่าวคือปากว่าคำศักดิ์สิทธิ์แต่จิตไปไม่ถึงความศักดิ์สิทธิ์ใจไม่เปิดรับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเพราะขาดต้นทุนขาดฐานที่จะรองรับของสูงระดับนั้นแต่หากผู้สวดเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเคยตั้งใจรักษาศีลแล้วรักษาได้เรียกว่ามีทุนมีความเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบ้างแล้ว พอสวดบทไตรสรนาคมยิ่งบ่อยขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเกิดทิศทางความเป็นพุทธมากขึ้นเท่านั้นผลแห่งความเป็นพุทธคือเส้นทางกรรมที่โปร่งสบายใจรู้สึกหายหนักหายกังวลหายกลัวและมองไปข้างหน้ารู้สึกว่าวันหนึ่งจะถึงความปลอดภัยจริงยิ่งหากเป็นผู้ศึกษาธรรมเป็นผู้เจริญสติกระทั่งเห็นกายใจไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวของตนยังน้อยแยกออกว่านั่นสักวารูปนี่สักว่านามเมื่อสวดบทนี้ก็จะเกิดพลังเจตจำนงที่แน่วแน่ชนิดที่เกิดกับผู้สวดทั่วไปไม่ได้กล่าวคือแม้สวดบทไรสรณะคมสั้นๆครั้งเดียวก็บังเกิดความสว่างศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตนและคนใกล้ตัวอาจจะยิ่งกว่าคนอื่น สวดบทอื่นยาวๆร้อยรอบนอกจากจะเกิดกรอกแก้วในระยะสั้นยังรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณทางจิตว่าถ้าสวดบทนี้ด้วยใจตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดสัญญาณ น, นำร่องนำความปลอดภัยไปสู่ฝั่งแห่งการพ้นทุกข์ในอนาค ต, ตการอย่างแน่นอนด้วย